ยัมมมงมาถือเครื่องเป็กเ่องเป็นางวัลมาค่าอะไรเงี้ยคะ่ะงนที่จะกล่าวนะปู่เงนที่จะกล่าวแต่ก่อนก็ไม่รู้จักหลวงปู่หรอกแต่ว่ามันลงในนี้ <laughs> จริงจร ง, ง, งรู้จักกันทั่วไปถ้าไม่ลงมันก็ไม่สมบูรณ์นชีว่าประวัติชีว่าประวัติที่หลวงปู่ทาขึ้นมีที่แท้ไหมอ่านคานำแรหรือไม่อ่านคานา อ, อ, อ่านคาน ำ, นำแรกหรือยัง นะอ่านหมดแล้วนะทีน่นี่บุญรองขอ ง, ของของของหลวงปู่ยังไม่อยู่ เ, เพแาะเหตุใดพะมีผู้มาเวียงวอนก่อนถ้าไม่มีผู้มาเวียงวอนหลวงปู่ก็ไม่ได้ทําถ้าหากว่าทำเชื้หลังหลวงปู่เทศเมื่รณะาภาคลองปู่มหามรณะธ า, าพแลด้หลวงปู่ก็มัมีพยานเอีกที่ทํำจอน้าลูก หลวง ป, ปู่มหาหลวง ป, ปู่เทศมันเป็นพยานของหลวงปู่แล้วถ้าไม่เหมาะสมในสิ่งไหนที่มันไม่ถูกท่านก็ต้องมาขู่นี่นี่เป็นพยานนี่มันอ้ขี้เทศเอ่ะอ้พี่บ้าเนี่ยนีู่รู้จักชีอเทอ่ของมันแล้วนี่การรู้จักหมดเราอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราปฏิบัติยังไงท่านก็รู้จักหมดสองสามองค์นี่จะจะคัดค้านได้ท่านอาจารย์เลียนองหนึ่งผมว่า ป, ปู่เลี้ยนองค์หนึ่ง รักเพลงองค์รักเพลงมาจากไหนัำของเพลงทำซ้ำเพลงคุณอินก็รู้ดีนายกภูจ้า ก, ก่อนแต่ว่ายุคอื่นเขาไม่รู้ชี้ว่าประวัติของเราเก่าถึงเรื่องหลวงปู่ปู่มัน่นแล้วก็กล่าวเฉพาะแต่เรื่องที่เราตาเห็นตาไมาเห็นเราไม่เก่าวทั้งตาเห็นด้วยทั้งในพิจารณาด้วยเราจึงเก่าวได้ยินแต่ท่านผู้อื่นว่าเราไม่เอามากล่าว นอกกล่าวแต่เฉพาะเราประสบการณ์กับองค์ท่านที่เห็นอยู่ด้วยตาพิจารณาด้วยใจถ้ามาเห็นด้วยตาไม่ได้พิจารณาด้วยใจไม่ได้ฟังด้วยหูเราก็ไม่ได้เอามากล่าวไงที่มันออกจากมุขคาปากท่านแล้วไม่ออกจากมารยาทของท่านเราก็ไม่ได้เอามากล่าวเพราะเราก็พูดแต่ยุคในเรื่องบ้นานน้องเผอหนึ่งยุค ก, ก่อนเราไม่พูดพเพรายุคบ้านน้องเผือเป็นยุคสุดท้ายเนะี่ยถ้ า, าว่า เล่าแต่ประวัติของเราไปไม่เป็นหรอกหรือก็ไม่เป็นเพราะมันโกงคลืงกันไปอยู่เพราะมันอยู่ด้วยกันแต่ยุคคนก่อนเราไม่รับรองทีนี้ซอเซียเห็นว่ายุคสุดท้ายท่านก็ปฏิบัติขนาดนั้นแล้วยุคขนากลางยุคขนาดต้นจะขนาดไห น, นนะเราะเห็นไหมแต่เราแต่เรามันยังเลียวไหลกว่าท่านมาก เรามันยังเป็นกรรมฐานเถื่อนเลยตอนกะไม่ใช่พูดตามเป็นจริงที่วิชาหมดไม่ได้คาดค่ว่าหลวงป่มันเป็นคงสวยถ้าถือว่าเป็นคนของลูปรอยอนีแจงในรูปมั้งโฮมยมั่นรูปเราไม่ไหวอ่ะเหรอไม่มันรู้สึกว่า ท่านท่านเป็นคนนะในรูปหล่องป็นเาสวยมาคือเกิดที่ตันเป็นรูปท่านอมใหญ่นะครับโคลาการโ น, าานี่คร<อ>งขากร่างขากรร่างละเยด น, มยนไม่ใหญ่ตถ้าหลวงปูมหาถ้าหลวงปมหาพงศ์ท่้องห ป, ปมหาก็รูปรูปหล่อเหมือนกันเคยเห็นไหมเหรอลูกเหมือนกันเคยเห็นนะ เม่ท่านรูปหล่อรูปผมมาวบอ่ท่านไส่รืท่านไป่นไอืมที่กรุงทอมเาทห่าน่นพักเมื่อท่านไปแล้วมันมีที่พักจะไปแย่งพักที่กบุติศาลาของพระนักเรียนถ้ามีญาติโยมเขาไปหาท่านก็ไปทับพวกนั้นอมันไม่ดีที่อยู่เดี๋ยวท่านเขาจะทำที่เชให้ท่าน ทนไปในกรุงเทพท่านทาประโยชน์ให้แกเขาเราไปก็ไปนักเขาแลมันมีไปนักเขาแ ม, ม่ได้ถ่อมหรอกพูดทาเป็นจริงถูดทาเป็นจริงูจง้จัรประมาณตนเพราะคุณสมบัติของสนไ ม, ม่มีจะทาเห็นช่างขี้ ข, ขี้เห็นช่างเยี่ยวก็เยี่ยวมันไม่ถู ก, <c oughs> กไม่ไปนะก็มาหาหลเองทุกคน ลกก็มาบาดธนาแลาต้องมาตองาหได้ต้องมารด้วยนะตงิการรบกวนด้วยนะวันนั้นที่ถวายขอลวงปูนะคะท่านเองก็ไม่ทราบว่ารู้ว่าอยากซื้อขอพวกนี้แต่ท่นจะถวายยังไงพอนีท่านจะมีแนะนําที่ทําอย่างาา น, น, นี้แต่่จกจะต้องปูพูดอีกครั้งหยึ่งอะไรพูดยังไงโอเคอวันนั้นที่นะที่ท่านถวายบาดอาาัฐเบขาแนแะปะนั่นเอง แล้วก็แจะเนี ALLY ่ยงนั่งบอกว่าให้ถวายแบบให้หลวงปู <there. S 1> ่ลงในศารอนุญาตแล้วโอกาสคนลึกซ้ายมันพยัญชนะแบบยัญชแนะนำถวายแบบหลวงปู่เขาถวายหลวงปู่มันเขาก็ทําแบบนั้นเนไม่ไม่อยากจะรู้พยคยามรู้อาว่า อย่ น, นี้มีความหมายยังไงอะไรเว้ลหลงผูกพูดแล้วไม่ได้ยินจำไม่ได้ดีที่เจาหลงผูกหลงต้องผ้าบางสกุลของบางสกุลเป็นของบ่อที่สุดเพราะเว ไ, ไนยบางต้นก็ให้ถือผ้าบางสกุลถือของบ่อสกุลเป็นบางสกุลเป็นส่วนใหญ่เพราะเวไนตอนกลางก็มาบรรยับ กฐินบ้าอะไรบ้าเพราะวินตอ น, ต, อนต้นทุกๆพระองค์ก็บัญญัติบางสกุลฉะนั้นนิยมบางสกุลมีท่านบางท่านพูดว่าถ้าอย่างนั้นอาหารก็ไปบางสกุลสิเรื่องอาหารมันต้องเค็มซะก่อนนี่หมายความว่าเป็นวัตถุสิ่งของบางสกุลก็เป็นบุญอันเบื้องต้นของพุทธศาสนาะที่นี่ทพรรษายี่สิบสองมา เขาเขมามาถ้ามพุะทศวรรษมาถามทรงอนุญาตภาคธินแล้วทรงอนุญาตของกฐินแล้วบางสกุลจะยกเลิกไหมยกเลิกไม่ได้เพราะเป็นพระในใน้างต้นพอเรมามาสอนาล้วพระในในบางต้นก็ต้องยกเลิกไม่ได้เพราะยี่สองพรรษาจึงมันอยากภาคธินจึงมันอยัด สิ่งของที่สวายขามือที่นี่ถามอย่างนั้นหรือให้ตอบหน่างนี้หรือตอบไม่ตรงคำถามอะตงตรงอยู่อือ่านี่นคือาแต่นัที่ก็จะทำอะไรจะทำหรืออะไรมาฝากลงนี้ที่ที่มันทาให้แบบว่าได้รู้เนี้แล้วถ้ามีประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นกก็เรืว่าอย่างเงี้ยวลา หรือแต่ว่าเวลาตัวหรือเวลากระถินไม่ใช่นัค้ค่ะก็ะถิ่นมันทําเป็นเรื่องประชาชนสังคมบุญมันบางตระกูลมันเป็นอิสระของผู้ใจสูงกระถิ่นมันเป็นอิสระของประชาช น, นที่สามัคคีกว้างขวางเลแล้วก็มีพิธีปีตรองกันอีกกิฤทธิ์โกมด้วยไอ้ที่แทะผ้ากระถินน่ะไม่พื้นเดียวเอา้าว เอาไฟฉายมาเอาไฟฉายมาเอาไฟามาไฟฉ า, า, ายมาเอา๊ะวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ละวันนี้ก็เป็นอีกอือเป็นชั่วมงเย็นเปน้องไฟเขานอือเป็น้องไฟเาบอกว่าเวลาใช้ไฟมากอนเย็นช่วง6 2ชั่วโมงช่วงเย็นๆมันจะเป็นัวแล้วกเพราะมันคนใช้มากมั น, น, มมมมมนตกอ๋เข้าใจ เดี๋ยวงลยนะครับทำทานแล้วไปทาเป็นคนตาที่เป็นบุญเป็นือ่ก็ดี้งกันบางศุลเป็นคนดีบางศุลตายก็ดีก็เป็นชื่อของบุญเป็นชื่อของกิริยาที่ทำเหมือกันนี่ว่าบุญกิริยาวัตถุแล้วกากิริยาที่ทำแต่วัตถุนั้นนั่งแล้วว่าบุญกิริยาวัตถุวัตถุ กายวัตถุวายชาวัตถุใจวัตถุของที่เอาไปทานด้วยไปบริจาคด้วยกิริยาที่ทำด้ว ย, รยเรียกว่าจินตยาวัตถุทีนี่ทานทำไมาก็เรียกว่ากิริยาวัตถุที่บริจาคทานสีทาไมาก็กิริยาวัตถุที่รักษาสีภาวนาทำไมาก็กิริยาที่ภาวนา อาาจายะทำ ไ, ไมก็กิริยาที่ถ่วงตวนเสียท่านผู้ใหญ่กิริยาวัตถุที่ถ่วงตวนเสียท่านผู้ใหญ่คือกาย ว, วัตถุวจีวัตถุมโนวัตถุเป็นต้นของวัตถุทล า, ายเมื่อยาว่าจะไม่บริสุทธิ์แล้วการช่วยคนไข้กิริยาที่ช่วยคนไข้ในกิจธุระที่ชอบที่ไม่ห ล, หล่อแหลมจบก็ทำไม่ได้ที่ไม่ร่วงเกินก็ทำไม่ได้ จะว่าวัตถุในทางที่ชอบปัติทานะไมย่ยิริยาที่ให้ส่วนบุญทําบุญแล้วอุทิศไปหาท่านผูอื่นยิริยาของเก็บของใจและยิริยาของกายที่อุทิศที่พอยใจอุทิศหาผว้อื่นปัตจานโมธามาปัตจานโมธนาไมย่ยิริยาที่วัตถุกิริยาที่อนโมธนาส่วนบุญจะเป็นลบด้วยกา ย, ด, ยด้วยวาจาด้วยรบด้วยกายมมือเป็นต้น บกบวาจาไม่พูดออกเป็นต้นงบด้วยใจนึกด้วยใจองค์ใจองคเดียวในลึกอนุโมทนาด้วยเขาอยกว่าวัตถุใจที่อนุโมทนาส่วนบุญเหมือนกันถ้าไม่มีวัตถุภายนอกก็ได้เหมือนกันอาการอนุโมทนาบนธรรมธรรมะสวรรค์บนสมเด็จของการฟังธรรมกิริยาวัตถุที่เราฟังธรรมเราอาากเอากายเอาวาจาเอาใจฟังธรรม พ่อมด้วยกายพ่อมด้วยวายจาคือกายแล้วก็เคารพกายเคารพวาจาไม่พูดหรือกระทึกโกงเคารพใจที่พิจารณาธรรมะธรรมเทศนาไม่เร็จเสวนาการแสดงธรรมการแสดงธรรมนี่แสดงธรรมถึงโลภุตระเป็นบุญอันรน้นแสดงทางในทางวัตถุนิยมตรงๆเป็นบุญน้อย ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตร ง, งการทำความเห็นให้ตรงนี่เป็นบุญทางใจเป็นร่วนเพราะความเห็นของไกเห็นว่ามีบาปมีบุญเห็นว่ามีมรรคผลในพรานเห็นว่ามีพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงมีนักมีมรรคผลในพรานมีสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตมมบิในพรานสมบัติเดียกว่าทำเกี่ยวความเห็นให้ตรง เชื่อกรำและผลของกรรมรก็เดียกวเขาทำกรรมอนตรงบุนทางร้ายเหล่านี้แหละผู้ถือว่าพุทธศาสตร์นะผู้ถือว่าพุทธศาสตรนะ์นามันได้บุญเพิ่อมอยู่ทุกวันเพราะกิริยากิตใจของผู้ถือพุทธศาสนะมันก็ น, นึกไปในทางกุศลเป็นส่วนมากใช่ไหมเป็นพุท ธ, ธานธรรมานุสติสังขานสุสติชีลานุสติอยู่ในตัวเมอเราลึกถึงสิงก็เป็นชีานลานุสติแล้วและลึกถึงพระพุท ธ, ธเจ้ากขเป็นพุท ธ, ธานุสติแล้วก็มีธรรมานุสติสังขารนุสติเกลื่อนตันอยู่ในตัว ก็มีชีรานพลาสติกโยงถึงกันอยู่ในตัวก็มีกาคารพสติกโยงถึงกันอยู่ในตัวนะมาแล้วกำไรใครเกาะเขาถามในโลกทิพย์ใครได้แค่คำก ร, รไรใดใครเกาะนี่พักพูดเป็นคำกลางก็จิตใจผู้เกาะขึ้นของใครของมนันีโลกทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์มีความหมายอันเดียวกัน ทำดีกขเป็นทิพย์ไปทางดีทำเที่วก็เป็นทิพย์ไปทางเที่วแต่ให้ผลต่างกันเช่นหลับตาก็เป็นทิพย์มือดเริมตาก็เป็นทิพย์เห็นกีบเกลือก็เป็นทิพย์เค็มจับไฟก็เป็นของทิพย์ร้อนไม่ใช่ว่าจับถ่านไฟวันนี้พรุ่งนี้กินจะร้อนเว้นวันนี้ก็ไม่ไม่ร้อนวันนี้เว้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ร้อนเดี๋ยวนี้ก็จะกวัดทิพย์เหมือนกันทำบุญเวลาไหนได้รับบุญในเวลานั้น เรานึ้โกรธให้เขาเราก็ได้รับบาปใช่ไหมแล้ว น, น, นึกเมตตาฟานีเขาเราก็ได้บุญตามส่วนผลข้าของเหตุที่เราเ น, น้อง่ายนั้นลดมาแล้วไม่เวียดเบียนท่า น, นผู้ใดผลของการเบียดเบียนก็มาหาใจของเรา น, นัเรานึกเวียดเบียนผลของการเบียดเบียนก็มาหาใจของเราก็อยู่ไม่สบายใช่ไห ม, มคือทังหลายการมรรตกความตริตในทางกาม พยาบาทวิตกความตริกในทางพยาบาทมิหิงสา ว, วิตกความตริกในทางเบียดเบียนเธอทั้งหลายจงทําให้พื้นหน้าจงห้ามเบรจงห้ามลอเถิดพระบรมสารีรามความรักไม่ใช่ว่าจะเป็นบาปหมรักธรรมรักพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นบาปเนอ้อนะรักในทางกา ร, รมารมณ์จึงเป็นบาปนะ บางท่านบอกว่าปรารถนาพระนิพานมันเป็นกิเลสว่าอย่างนั้นพูดเกิดไปถ้าอย่างนัมันก็ไม่มีคิวบุคคลผู้จะทําอะไรก็ต้องมีคิวคิวกับเจีตนาก็มีความหมายอันอันเดียวกันคิวกับเกีตนาและความหวังก็มีความหมายอเดียวกันคนเราทําอะไรไม่มีความหวังมันก็ทําไม่แน่นเพราะวรมศาสด า, าสร้างบา ร, รมีมาเสียสองข้าแสนสมหากัรก็หวังเพื่อจะเป็นพัฒมาสุภะเจ้าสอนโลก ก็ต้องมีความหวงังต้องมีเกติชนะเกียตนะก็ดีความหวงังก็ดีก็ดีตั้งสัจจะไหวก็ดีก็ดีอธิษฐานไว้ก็ดีอธิษฐานคือหน้าธรคือทําที่ควรตั้งไหวในใจสีอย่างปัญญาและรู้สิ่งที่ควรรู้สัจจะความจริงใจคือพูสถึงอะไรก็ดีจริงยาข้าสารสิ่งที่เป็นค่าสุดแกค่ความจริงใจตั้งสัจจะไว้อธิษฐานหธรรมก็เหมือนกันสัจจะความจริงใจอธิษฐานหธรรมคือทําที่ตั้งควรที่ควรตั้งไหวในใจสีอย่าง สัจจะธรรมสัจจะ p สัจจะอุปปา r a m i s a m p a n n สัจจะ p ร r a m a t า a p a สัจจะ p a r a m a t t รม a r a m i s a m นั้นได้ตั้งสัจจะไว้แล้วในทางที่ชอบจะเสียชีวิตด้วยก็ตามเรียกว่าสัจจะ p ร r a m mmm ถปา a p a r a m um. i s a m p a ยอมเสียชีวิตด้วยสัจจะเหมือนหลวงปู่ที่ตั้งสัจจะไว้ไม่ยอมไปผ่าปตะัดนี่เองเรียกว่าสัจจะ p ร r a m a t t a เ a สั m i น a m ถึงจะตายหลวงปู่ก็ยอมตายนีครับ เอาชีวิตแรกอธิษฐานปารมีสัมปโนหลวงปู่ก็อธิษฐานไว้จะไม่ผ่าไม่ตัดเรียกว่าอธิษฐานปรามัตถปารมีสัมปโนเหตุฉะนั้นจึงไม่มีใครมาลงโทษหลวงปู่ได้เพราะสัจจะของใครของมันสัจจะที่ตั้งไว้ผิดแต่สัจจะมันต้องเกี่ยวกับปัญญาข้าสติปัญญาเช่นตั้งสัจจะว่าจะไปผูกคอตายค่อยผูกอย่างนี้มันสัจจะพิว่าอันนั้นมันอธิษฐานพิว่าอันนั้นไม่ควร ต้องรู้จักขอบเขตเน่ะเฮ้จะพาลอะไรก็ปาลบอีกสักัจว่าจะไม่ทานอาหาร้วตั้งจจะไม่ทานอาหารังวอนนี้กี่เครับที่ราบกทุนะั่หจะไ้า้าวหอตงเลยีการทำ การรับฐานอาหารเนี่ยถึงจะหี้ว่้างก็อดเอาแต่ว่าคนหน่มก็วันละสองวันละสองมื้อพอแล้วคนหนุ่มสำหรับผู้อยู่ครองขล่ว่าสามมื้อก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่กินมากและกินพอกระถางประทา ง, าทางเนื่องูไม่ควร เนื้อสุนัขไม่ควรเนื้ม่แจะไม่รูเนื้อเลี้ยงก็ไม่ควรเพราะมันล่ายคนเนื้อหมาเนื้อช้างก็ไม่ควรเราถือพุทธมามะกะเนื้อมนุษย์เนื้อหมาเนื้อหมาเป็นของต่ําไม่ควรสมมติต่าแล้วไมเน่องูทำไมถึงไม่ควร เมื่อเราไปในปา่ามันถูกเหี่ยมมันจะมาขันอาจจะสีของมากันเสือโคงเสือเหลืองเสือดาวของมันกันเนื่อช่างเนือว่า ม, มันเป็นของพระบรมราชาไม่ควรเนื่อราจะสีขอเเป็นสัตว์ที่รุ่งร้ายเนือมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ควรเพราะเนื้อมนุษย์มันอร่อยกว่าอันอื่นเดี๋ยวจะฆ่ากันเย็นทุกคนลงมาศ า, ศาสตราบรรัติได้พอแล้ว มันรหญ่แอดีแล้วมันเหลือวิสัยที่จะห้ามไม่คนฆ่าสัตผู้มันมีบารามีอ่อนมันก็ต้องฆ่ากันอยู่ดีๆเพราะบารามีไม่อยู่ในระดับเดียวกันใกรตัวนี้จะฆ่าให้พระ ปลาตัวนี้จะฆ่าให้พระหรือได้ยินคนพูดเมื่อได้เห็นเองก็ดีเมื่อได้ยินเองก็ดีด้วยมีผู้บอกก็ดีว่าสัตว์อันนี้จะค่าให้พระอย่างเมื่อได้ยินดังนั้นสงสัยในทางเกียรติท้งเธออย่าไปชันเนื้อพระบรมศาสดาถ้าไม่สงสัยเธอก็จงฉันเถิดพิกษุไม่พิจาราก่อนฉันเน้อเป็นอาบัตทุกข์ทุกกำกืนเพราะแต่งว่าก็เป็นเนื้อมนุษย์ พราะเกรงว่าจะเป็นเนื้อหมาเนื้อหมาเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าพิกษุไม่ฉันฉันเนื้อไม่พิจารณากรในอาบัตทุกบททุกคำคือพวกที่ฉันเนื้อฉันปลาสมาทานได้ไหมหลวงปู่ไม่ได้สมาทานหว้ว่าจะฉันเนื้อจะฉันปลาจะฉันผักไม่ได้สมาทานไว้เขาให้อันใดมาก็ฉัน ไม่ได้แต่เสียงที่ทรงห้าวไม่ได้สมาทานสมาทานชั้นเนื้อก็ไม่ได้สมาทานสมาทานชั้นผักก็ไม่สมาทานแล้วแต่มันมีมามันขัดข้องต่อพระธรไมในขอถามองค์ลูกปู่มั่น โอ้ลูกปูผลมะเขือกับผลปลานั่นจะเอาชงด้วยกันได้ไหมเวลาแจกอาหารเออมันลงไปเมนอยู่ที่แห่งเดียวนั่นแหละลูกเอ๋ยลองปูไหมเพราอพิการาลงอย่างนั้นแล้วก็มาเห็นเป็นโทษอะไรบางท่านกนก็บอกว่า ผู้ชันเนือฉอชันตาเป็นผู้โหดร้ายผู้ฉันผักเป็นผู้ใจบุญเขาก็บอวดถูกอยู่แต่ไม่ถูกข้ามันกินแต่หญ้าทาไมมันฆ่าคนมากมันก็กินแต่หญ้าทาไมเกล็ดมันมากแค่โคกินแต่หญ้าทาไมเกล็ดมันมากแค้ คนคุยกันและเวลามันแย่งผู้หญิงมันกันก็เหยียบกันตายเหมอนกันแย่งเพศตรงกันข้ามมันเลี้ยงกันเป็นฟงฝูงเหยียบกันตายเลยหมาเขามันกันเตะกันตายเขามีแยกตัวเมียกันพวกผู้กกับนังนี่เคยเห็นอยากดูนพระนครหลวงก็ไม่เคยเห็นมากปล่อยแล้วจะเขาจับไว้โคกระบือเขามันกันมาเห็นเป็นฟงฝูง แต่ว่าชั้นผักนั่นสบายดีเพราะถ่ายอุจจระก็ไม่เว้นหน้าเขาเป็นเอ ง, เเเ อ, งอย่ า, า, านงนั้นเขา เ, เขาก็ดีมากแต่ว่าเราก็ทงสงค์สเสริญอยู่ผู้กินผักแต่ว่าถ้าเราจะว่ากินผักไม่บาปมันก็บาปอยู่ว่า ก่อนจะเป็นผ <laughs> <laughs> <laughs> ักเขาไปฉีดยาตายทั้งส้นเสีถูกไหมปัญหาในโลกทาไมจึงเป็นหาปัญหาโลกแต่ว่าผู้ใดจิตอยู่ในระดับใดก็ยืนยันระดับนั้น คนเราภาวนาะไปคาอยู่ที่ไหนก็ต้องแอบกินเท่นั้นไม่แอบมันก็แอบอยู่ในตัวเพราะมันไปไม่ได้ถูกไหมเราไม่ยืนยันว่าจะแอบมันก็ต้องแอบอยู่ในตัวเพราะมันไปไม่ได้เม่พระสวัดีวันท่านก็แอบอยู่ในโลกภตราของท่านแต่เมื่อมันพ้นภูะราชท่านก็ไปสัพพะคาเมียนาคาเมยาีม ย, มยลังหันยาเสพติดไหมเอาเพียงแค่ไหนยาเสพติด โรคโกรธหลงปัญยาเสพติดหรือไมยืนเดินนั่งนอนนึกคิดปัญญาเสพติดหรือไมพูดปัญญาเสพติดไหมนิ่งปัญญาเสพติดไหมถ้ายังถอนอุปาทานไม่ได้ปัญญาเสพติดทั้งนั้น ถอนอุปทานไปแล้วไม่เป็นยาเสพติดนึกคิด ก, ก็ไม่เป็นยาเสพติดพูดก็ไม่เป็นยาเสพติดนิ่งก็ไม่เป็นยาเสพติดพระทหารไม่มียาเสพติดใดๆทั้งสิ้นพระเนพานก็ไม่ใช่ยาเสพติดพระดับเพลินไปแล้วยืนเดินนั่งนอนของพระทหารไม่เป็นยาเจพติดเป็นเรื่องสังขารรู้ๆเพราะมาในกิเลสเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของว่าเราเขาสัตว์บุคคล บางท่านก็บอกว่าทำจิตแท้ว่าทำจิตแห้ว่ า, า, วาอืถ้าสำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตนั่นก็ไม่ว่าถ้าสำคัญว่าตาเป็นตนตนเป็นตามันก็ไม่ว่ากับรูปใช่ไหมน่ถ้าสำคัญว่าหูเป็นตนตนเป็นหูมันก็ไม่ว่า ถ้าสําคัญว่าใจเป็นตนตนเป็นใจมันก็ไม่ว่าถ้าสำคัญว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้มันก็ไม่ว่าทำที่จะทําลายอวิชชาปัญหาอุปาทานก็คือปัญญาเท่านั้นนอกจากนั้นไมมีอะไรจะทำลายเน่ยจะทําลายความโง่ก็คือความสลับเท่า น, นั้นจะทําลายความขี้เกียจ ก, ก็คือความขยันเท่า น, นั้น จะทำลายความโกรธก็คือความไม่โกรธเท่านั้นจะทำลายความโลภ ก, ก็คือความไม่โลภเท่านั้นพูดให้เขาใจง่ายง่าทำไมคนเราจึงละโลภละโกรธละหลงไม่ได้ก็เพราะเห็นว่ามันพอใช่พอสวยอยู่มันอร่อยว่าถ้าเห็นว่ามันไม่อร่อยมันไม่พอใช่พอสวยมันก็ทิ้งเลยไม่ใครไม่มีใครบอกมันทิ้งตูมเลยไม่เห็นว่ามันพอใช่อยู่ เราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แท้เลยมันก็ทิ้งตูมเลยไม่ต้องมาครมีใครบังคับก็เพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์พอใช้อยู่เองละแค่นำรายอย่างนี้เราพูนทิ้งแล้วเรามเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ใช่ได้อเอาเคืนมาอีกทีงไงที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์มันก็ใช้ได้อยู่มันก็วางไม่ได้ช้ารูเท่ามันนะมันวางเองไม่ต้องทํากิริยาวาง เห็นดินตามเป็นจริงของดินเห็นน้าตามเป็นจริงของน้าเห็นไฟตามเป็นจริงของไฟเห็นลมตามเป็นจริงของลมเรียกว่าเห็นจริงตามสมุตเห็นจริงตามเวมุตอีกด้วยถ้าลดทอนสี่งใดไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอันนั้นเขาเรียกว่าเห็นตามเป็นจริงของเวมุต ไม่สำคัญตัวอยู่ในสมุดด้วยไม่สำคัญตัวอยู่ในในมิมุดด้วยก็เรียกว่าวูมิมุตตามเป็นจริงของวิมุดรูปสมุดตามเป็นจริงของสมุดเห็นอดีตตามเป็นจริงของอดีตด้วยเห็นอนาคตตามเป็นจริงของอนาคตด้วยเห็นปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันด้วยแต่ไม่ยืนยันว่าอดีตอนาคตเป็นตนกันตัวเป็นเราเป็นเขามันก็ปล่อยวางกันอยู่ในตัว ถ้ามันเป็นของเหลววิสัยถ้าบุรุมศาสทาก็ไม่เอามาสอนมันเป็นไม่เป็นของเหลววิสัยของผู้ ส, สร้างสร้างบารมีมาบ้างมาบ้างแล้วผู้ยังบารมียังไม่ไม่แก่ก้าก็จะได้เริ่มปฏิบัติคําสอนของพระศาสดานะผู้มีบารมีแกแ่ก้ามาเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นผู้ยังไม่มีบารมีก็จะได้เริ่มใส้ตั้งต้น มันไม่ยอมตั้งต้นใช่เลยมันก็หนาอยู่ก็มอบไว้กับศาสดาอื่นซักมาไว้พระพุทธเจ้าองค์ทีหลังถ้าพระพุทธเจ้าแต่และองค์ละองค์ไปหุ่งไปมดองค์ข้างหลังก็ไม่มีงานจะทําละนั่นฉะนั้น an จริงๆพระพุทธเจ้าอยู่เนืองเนืองั ตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้มันจะไปพัฒนาเปนมดุษย์โรคหลานเอ๋ยนับแต่ยุงแต่ลิ้นหมนูนี่บินพัดๆทุกท่านอยนี่ตั้งมาเป็นมนุษย์มดแต่ว่ายังไม่มีคิวไม่รู้กี่แขนนับล้านที่ละกว่าจะไปถึงพระสุรารันกว่าจะไปถึงสักค า, า, า, าคามีนาคามีนาล่ะเนี่ยกับปินความปินหงายเนี่ย ก, ก็กลับปอกหล อ, อกดวงกระของอยู่มาเป็นมนุษย์ลกลับไปเป็นทรัพที่ดี้านก็มีกลับไปเป็นเศษรสารกายก็มีเชื่อไหร่กลับไปนั่นก็คือพระสุรารันนั่น เดินหน้าเลยทุดหน้าเลยผู้ชายนะ ค, คะแรกๆที่เข้าบิอยู่แล้วเขาจะพัฒนาจาิตใจเขาได้ไให้ขึ้นมาเรื่นนนนอยๆก็นานแสนียนานเลอะเกินนานเสียงนานเลอะเกินนับเป็นแสนแสนล้านล้า น, านปีในมนุษย์ทีเดียวใช่ะคะถ้าเขาไม่รู้หมายความเขาจะต้องอยู่กับที่ตลอดไป ถูกถูกเพราะกรรมวุณีนาวัติโรภูรัตโลกต้อมเป็นไปตามกรรมของตนนั่นเพลงใคร <c oughs> พัดจอบีไรยจอบีไร่ซ่อมัาซ่อมนีแล้ ว, ลวตำมันตานี้ที่เพิ่น รู้จักจอบไหมไม่ใช่จอบเสียมที่พุดนะจอบอยมามองมองเห็นะไรไหมองดูใช่มรัรอบดูรอบฟังแอบดูแอบฟังอ๋อแล้วก็ไปเอาแก้วท่านถูกโอเคเอาแก้วทำ้าไมช่ฟังตรงๆเลยะ ก็เขาชอบเขาขี้เกียจขึ้นมาเขาขี้เกียจกลับไม่เกียจขึ้นมาเขาอยู่เป็นอิสระของเขาเขาฟังเขาอยากเหกียจขาเขาเกียจได้ถ้าขึ้นมาแล้วมันท้อระเบียบเขาไม่ขึ้นมาชอบให้มันนั่งฟอนแถวได้าชอบ ทนี่ต้องใสอะไรฝปฝาล็อคดีหลวงปู่จะให้อย่ า, ยาเช่นว่าสามบ้านนี่ค่ะที่เขาเลี้ยงสัตว์อะไรไว้แล้วหลเดชพระพิฆลองบอกว่าเขาไม่รู้ทําที่นีบ้างใช่ถ้าถือว่าเราที่เขารู้ภาษาอย่างเช่นขอทาเอนเรียนเช่นเช่นถือนะค่ะพูดอะไรเขาก็รู้อะไรอยแบบนี้ค่ะที่นี้ถ้าเราจะ สอนธรรมะให้เขาบ้างให้เขาทำดีอะไรแบบนี้เพื่อเขาตายไปเขาจะได้ไม่เกิดเป็นหมาอีกอะไรแบบนี้หลวงปู่ว่าได้เหรอในบางตัวอะไรแบบนี้ได้บางตัวได้อย่บาตัวได้ฉันนกเข้าเห็นพระบรมสศาระดาไปบินธ บ, บายมันก็กระพือปีกแล้วก็ทำหัวงกงกเขก่างกยันต่อไปในอนาคตรพระองค์ท่าน ทำนายทายทักว่านกเข้าตัวนี้จะได้เป็นพระประเจกในอนาคตฉันชาป่าเรไรประมาณกันยินดีเรื่อมใสพระบรมศาสตร์เออในชาตินี้เธอจะได้จะเพียงควรเรื่องไสนั่นเองเธอจะภาวนาไม่ได้เพราะเธอเป็นสัตว์ที่ฉานแต่อเิ่นสงของเธอเรื่องใสพระพุทธศาสนาเธอสิ้นลมปานแล้วโธจะได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าในอนาคต อนาคตนัานๆไม่รู้กี่ปีในอนาค ต, นนานนนาคตหุนเอกก็คือพระพุทธศาสนาธรรมศาสต์สนาสังฆศาสตร์สนาหุนเอกทำดีได้ดีทงชั่วได้ช่วมนเป็นหุนเอกแล้วมันเป็นสามไต่สวนสามจับสินอยู่ในตัวสันอายการอยู่ในตัว สานไต่สวนสารตัดสินอยู่ในตัวก็คือทางทำไม่ปรมัตดในพระเวในยังมีไต่สวนให้ตัดสินเป็นบุคลาธิฐานอยู่ส่วนทำปรมัตดไม่ไม่ไมาต้องมีการไต่สวนทำฝ่ายหยาบก็ต้องมีการไต่สวนให้ตัดสินทำฝ่ายปรมัตดก็เป็นสารตัดสินอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนกรรมผลของกรรมติดต่อยห้อยตามจิตใจของสัตว์แต่ละท่านแต่ละคนก็ Pink, เรียกว่าสารไต่สวน ตัดสินอยู่ในตัวก็เรียกว่าเวียวบมเน็จบำนานอยู่ในตัวนัน่นท่านก็ยังรู้รู้ว่าอันไหนดีไม่ใช่ค่ะว่าอันไหนสวยอันไหนท่านก็ยัง หรือท่าจะดูเป็นอย่างเช่นว่าถ้าจะดูดอกไม้นี่ค่ะถ้ายัางรู้ไหมว่าดอกนี้สีสวยดอกนี้สีไม้สวยหรือท่านจะดูเป็นเหมือนติดกระดูกไปหมอดอย่ันสวยท่านก็สมมุติตามสวยแต่ไม่ติดอยู่แต่ท่านก็ยังดูว่าสวยว่างามอยู่ใช่ไหมถูกก็ปฏิเสธไม่ปฏิเสธสมมติแต่กิเลสไม่มีก็เป็นไปตามโลกเป็นไปตามโลก เขาวักควายก็ต้องควายกับเขาแต่ถ้ามันเป็นควายเขาผักกระบือเขาเป็นกระบือกับเขาอืพูดสมมุติมันเป็คัดค้านพูดปรมัดท่านก็ไม่คัดคานไม่คัดคานทั้งสมมุติและปรมัดเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะคัดคานเลยครับท่านท่านเห็นผู้หญิงท่านก็ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นสะดุูไปหมดทุกคนเลยใช่ไมคะท่ไม่ใช่ไม่เห็นอย่างนะทนก็เห็นว่าอ๋อดีอะไรแบบนี้แต่ท่านก็รู้ แต่ท่านไม่ติดอยู่กิเลสของท่านท่านก็พูดตามสมมุติเขาคำว่าระวังตาหูจมูกจิตกายใจให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูฟังเสียงตดงกินดืม่มรส ถ, ถูกต้องอระธรรมะด้วยกายด้วยธรรมารูไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูไม่ใช่ว่าไม่ให้เห็นแต่ดูก็ให้มีสติแต่ได้ยินก็ให้มีสติท่านพูดอย่างนั้น ท่านก็ไม่ไม่ติดในเห็นไม่เหมือนกับพวกุ่พวกูกๆพ อ, อเห็นอะไรสวยงามเขไปอยากได้ก็ติดเพราะมีกิเลสอยู่ถูกไหมถกเพราะมีกิเลสอยู่นกเป็นใ น, ในอากาศป็นวันยังค่าก็ไม่มีรอยจิตองพลหานเปล่นหันเชือห น, น้าไม่เชือห น, น้าอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็ไม่มีรอย เรือโดนในน้ำทั้งกลางวันกลางคืนก็ไม่มีรอยจะนิ่งก็ไม่ได้ติดนิ่งจะไม่นิ่งก็ไม่ได้ติดอันใดทั้งสิ้นเพราะเห็นเป็นแต่สักว่าสังขารและธาตุดังนั้นจึงยืนยันว่นานานาธาตุญาณังรูธาตุต่างๆนานาสมมติรูจักสมมติต่างๆ ตามเป็นจริงของสมมติรู้จักสมมติตามเป็นจริงของไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสองลูกกินตามเป็นจริงของกินกินแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสอง เรื่อนไหนเราทำอะไรท่านก็รู้ได้ไรู้ได้ก่อนนะคะท่านเข้าสู่อนุภาติเชสานิพานแล้วไม่ได้มารับรู้และเห็นกับพวกเราเลยโลกนิพพานขึ้นไปจากไม่มีข้อเกี่ยวกับโลกเราเลยเใช่ไหมไม่ไม่ได้เกี่ยวที่ถ้าเราอธิษฐานก็ไม่ได้ใช่เไเราอธิษฐานมันเป็นบุคลาอธิษฐานมาให้เราเห็นถ้าหากว่าสมมุติว่า เรายังมีขันห้าอยู่ทีนี้พระอรหันต์สามารถแสดงตนมาให้เห็นได้ก็เพราะเรามีขันห้าอยู่ถ้าหากว่าต่างคนตาเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานแล้วก็ไม่มีอะไรจะสังสัรกันถ้าทางหนึ่งยังอยู่ในโลกถ้าทางหนึ่งยังเป็นพระอรหันต์อยู่อย่างนั้นก็สามารถจะมาแสดงให้เห็นได้เพราะธรรมะของเราออกแสดงให้เราเห็นที่เร ปรากฏเห็นพระสมณะพระพุทธเจ้าท่านเข้าสู่พนิพพานแล้วในนิมิตตาวนาพอดีก็คือธรรมะของเรานั่นเองออกสแสดงเป็นออกสแสดงเป็นพระพุทธเจ้ามาเพราะเราเริ่มใสพระพุทธเจ้าธรรมะของเราน่นเองวาดภาพมาที่รูบาา่สอนว่าไม่ให้ติดมตอรนถูกไนิมิตแปลเครื่องหมายเครื่องหมายในพุทธศาสนามีสองอย่าง เพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปนิมิตเพ่งอารูปเป็นอารมณ์เรียกอรูปนิมิตนมรูปนิมิตก็ตามอารูปนิ ม, น ม, นมกาตามมก็าตามเกิดขึ้นแลว้วก็แปรปรวนและแตกร้ายถ้าอย่างนันแปว่ามรดกของพระทั้งหมดที่พนโลกแล้วนีหมายความพ้นไปยใ่ไหมจะยังไม่มาคลองกับพวกเรานี้ไม่ไม่มาค่้องโรกแบงออกเป็นหกโรงพิจารณา โรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคใจโรคภายในโรคภายนอกโรคโรคเสียงโรคกลิ่นโรคโรคเสียงโรคกลิ่นโรครบลดโรคปวดทัพทะโรคธรรมารมรวมเป็นโรคที่สองอย่างพิษดารที่นี่ธาตุที่นี่ธาตุก็เมื่อโรคมีเท่าไหร่ธาตุก็มีเท่านั้นธรรมก็มีเท่านั้น คำแปลว่าทรงอยู่โรคแปลว่ารุดชีตีติแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแรกและแ ป, ปลโปรนน แ, แตกสลายอยู่ห้าระหว่างไม่ได้ติดต่อกันอยู่เป็นรอบๆห้าระหว่างไม่ได้จะว่าสังขารก็ถูกจะว่ากองทุกข์ก็เชิงเพราะผลลัพธ์มันเป็นทุกข์ ปัญญาอบรมสมาธิก็ถูกสมาธิอบรมปัญญาก็ถูกศีลสมาธิปัญญากรมเกนกันก็ถูกแล้วแต่เราจะบรรยับจะว่าปัญญาอบรมศีลสมาธิก็ถูกจะว่าศีลสมาธิอบรมปัญญาก็ถูกจะว่าหนังกับเนื้อกับกระดูกอบรมกันก็ถูกเพราะมันอยู่ที่แห่งเดียวกัน จะว่าหน้ากับตากับจมูกอบรมกันก็ถูกเพราะมาอยู่ที่แห่งเดียวกันเคยเห็นหน้ากันว่อย่างนั้นแต่ไอ้ที่แท้ก็เคยเห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันแต่พูดอ่อนโยนที่พูดศีลก่อนก็พูดอัญญาก่อนถ้าศีลหยาบสมาธิก็หยาบปัญญาก็หยาบถ้าศีลขนาะกลางสมาธิก็ขาดขณะกลางปัญญาก็ขาดกลางถ้าศีลสุดท้ายคือพระอรหันต์สมาธิก็เป็นสมาธิสุดท้ายปัญญาก็เป็นปัญญาสุดท้าย ลกลมกันอยู่ที่ท่านแยกออกก็เพื่อให้เรารู้ชัดเฉยๆไอ้ที่แยกมันไอ้อที่จริงมันแยกกันลำบากอยู่เหมือนกันอืมอืมเียของผุ้ติชนคนหนาสมาธิของผุ้ติชนคนหนาปัญญาของผุ้ติชนคนหนาศียของผุ้ติชนคนหนา เขาก็ตัดสิน ล, ลงมาหาเรียกขาผาเ อ, อเขาก็ตั้งมั่นในเรขในผาเขาก็รอบรู้ในเรขในผาตามพิษา พ, าพาาระป า, าเขาตามตามภาษาพิบ่าเขาเ่ให้พระสวดาวันฉีด ส, สมาธิปัญญาของฉันพระสวดาวันเป็นเป็นโลภุตระศีโลภุตระสมาธิโลกุตระปรัญญาต่ำกว่านัน่นลงมาพระองค์ไม่รับรองรับรองเป็นแต่เป็นโลภีไม่รับรองเป็นโลกุตระ ที่รับรองจัดเข้าในาพระพุทธศาสนาได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันศีลสมาธิปัญญาของสักตาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระอนาคามีศีลข้อสมาธิของพระอรหันต์เป็นศีลสมาธิปัญญาที่จบแล้วเรียนจบแล้วหน้าโม่ก็เหมือนกันพุทธทางก็เหมือนกันสมาทิฏฐิก็เหมือนกัน สัมมาทิฏฐิของพระโสดาบันสัมมาทิฏฐิของพระสกทาคามีสัมมาทาามิฏฐิความเห็นชอบของพระอนาคามีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบของพระอรหันต์พระอรหันต์จบสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นมหาสัมมาทิฏฐิแล้วนั่หนัโมตัวเดียวแปรออกจนถึงภะไตรบพไตรพิโลกก็ได้เพราะแปลตามชั้นของ คนของท่านผู้พิการณากระแสจิตไม่เหมือนกันกระแสธรรมมีสูงต่ำรุ่มดนอนกว่ากันศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นอาศัยซึ่งกันและกันเป็นกองทัพธรรมแต่ว่าปัญญาเป็นหัวจักของศีลสมาธิคนที่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้คนที่ไม่มีปัญญาก็ทําสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้คนที่มีปัญญาก็ไม่รอบรู้ในปัญญานะปัญญาเป็นหัวหนาของธรรมทั้งหลาย ปัญญาอักษริสุทธิ์สติบุคคลจะบบริสุทธิ์ก็ฝ่าปัญญาปัญญาโลคัตมิปัจโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาอะไรปัญญามีอะไรผู้ใดผู้นั้นประพฤติใกล้พระยิปานโดยแท่มนี่หมายปัญญาในโลกุตระไม่ใช่ปัญญาในโลกีศีลมีในผู้ใด ผู้นบบั้นพิกไกลพระนิพพานโดยแท้แล้สมาธิมีในผู้ใดผู้นั้นแบบเพิใกลพระนิพพานโดยแท้แล้นี่เรียกว่าศีลสมาธิในโลกุตระสมาธิที่หลอกกินขนมเขามันยังไกลอยู่ใครนั่งนานก็เอามาอวดกันแล้วก็หลอกกินขน ม, มเขาอันนี้เป็นศีลของพุทธชนคนหนา ไหว้ดรงสามทีก็ผิดกันผู้ดถึงโลกุตระเขาสําคัญว่าเขาไหว้พระเนี่ยพานเขาสําคัญว่าเขาว่าเพื่อความรุ่ง้นเขาไม่สําคัญว่าเขาไหว้เพื่อจะอวดเพื่อจะให้คนอื่นว่าเรามีข้อวัดเขาไม่ได้นึกอย่างนั้นเขารู้ตัวเขาอยู่เขาทําอะไรเขารู้จิตเขาอยู่ทําอะไรทําเพื่ออวดหน้าแขกหรือเขาก็รู้เขาทําเพื่อไม่อวดหน้าแขกหรือเขาก็รู้เขาอันท่านพูดถึงโลกุตระแล้ว พวกทีอยู่โลกีนเอาเป็นประมาณไม่ได้นะปัญญาก็เอาเป็นประมาณไม่ได้สีน์ก็เอาเป็นประมาณไม่ได้นะเหตุฉะนั้นพูดถึงพระโสดาบันก็เรียกว่าท่งข้ามโลกีไปแล้วอยู่ร่วมพระเนพานไปแล้วเข้าสู่ ขนทางเข้าสู่พันธพันธุ์ตรงแล้วนะแต่ยังไม่ถึงขนกลางพันธพันแต่ยังไม่ยังไม่รอบคอบเ่าวเบื้องต้นของพันธพันธุ์แล้วเข้าร่วมคิวแล้วไม่ผิดเพไดรมไม่ร่วมพวกอื่นแต่ ว, ว่าเสนาอยากร่วมผู้อื่นผิดเนอ เสียดายในจิตใจว่าอยากจะร่วมผู้อื่นนอุดมคิดก็ไม่ใช่ะคิดไปก็ไม่ใช่พระสวยเบัาคิดวด่าจะร่วงละเมิดไม่ใช่พระสดาแต่เห็นผู้ชายมามันสวยก็ให้คะแนนเขาว่าสวยเฉยแต่ว่าไม่ยอมตัวให้มันไม่เสียดายอยากยอมตัวให้มันนะเข้าใจนะที่น<ฆ>ี้ไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดอีกเสียด้วย ลังบาต่อสู้กับเลือต่อสู้ัอะไรพวกนี้นะะจังดัดด้วยบ า, ยบ า, ยยาทุกข์ขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติลัหบาทั้งรู้ไรชาทุกข์ขาปฏิปทาขิดปาปัญญาปฏิบัติลัหบาแต่รู้ง่ายง่ายทุกข้ขา ปฏิทาติบรรมขีปนาวียาปฏิบัติลำบากทุกครั้งปฏิบัติบรรมขีปนาวยาปฏิบัติสะดวกท้งลู่เร็วมันตามเป็นตามนีสัยของคายประมาณบางท่านก็นั่งฟังเทศเฉยๆก็ทําเนียบรหัสมันก็เป็นตามนีสายบางท่านกดทรมานเอาจริงๆก็กังนนยยผู้นิสัยหาบนะผู้นิสัยไม่หยาบ ขี้เด็ดแม่มากทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเช่นพราหิยะพราะบารามีสร้างมาแจกค่ากว่ากันบางท่านก็สร้างบาลมีสุขวิปัสสโกก็มีเจวโชก็มีชะพินโยก็มีปฏิสัมพิชพระโตก็มีผู้ที่สร้างบาลมีปฏิสัมพิชพระโตและชละพินโยก็ลงทุนมากผู้ที่สร้างสุขวิปัส ก, กุขวิปัสโกก็ไม่ได้ลงทุนมากขนาดไหน ผู้ที่สร้างวารีมีแก่ข้า้มาในพุทธก่อนแล้วเพียงบากคาถาเดียวก็ไปเลยผู้ที่ทำอัตตะหันก็ไม่ใช่ว่าจะสําเร็จในชาตินี้ทีเดียวเขาสร้างมาแล้วผู้ที่จะมีเป็นเศรษฐีก็ไม่ใช่ว่าจะมาหาปีเดียวมันได้ด้วยเขาก็หามาแต่อบรยปีใช่ไหมนั่นเนี่ยฉะนั้นภพเพรจักตาปูนตา ความเมทําทความดีเในปางก่อนจึงปฏิเสธไม่ได้อัตถสมาป น, นิทิจะตั้งตนวนเจ้าบุคคลผู้จะทำความดีในปางก่อนพรกเพรจะกระจะคุณนยะตาเอตมังฆารมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมถ้าเราเรื่อมใสพระพุทธศาสนาไม่ถอยหลังเลย ก็ S <S <an> ให้เข้าใจว่าบารมีของเราแข็กล้ามาแล้วนเนี่ยเรื่องทดสอบบารมีของเรามีอยู่เหมือนกันถ้าเราต้องการอยากคนทุกข์จริงๆงเราเห็นภายในว่าตาสงศารอย่างจริงจริงไม่ได้เห็นตามสัญญาที่เคยจํามาเคยหูก็ฮอตฮัดปากว่าไปอย่างนั้นแก่เจ้าขายกินข้าวกับกล้วยถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นชัดปัจจักษ์คดิจิในเราอย่างนั้นให้เข้าใจว่าบารมีของเราสร้างมานานแล้วเรื่องทดสอบบารมีมีอยู่ถ้าเรา พูดโกหกพกลองเขาเฉยๆแต่จิตใจของเราไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกขบวนวิญญาณของเรายังยังไม่แก่กล้าเนี่ยแล้เอาจําสัญญามาพูดเฉยๆเนี่ยเรื่องเหลนี้ใครจะมาพูดแทนเราก็เราเองเป็นผู้ร่วไม่มีพยานพยานเจตนาไม่มีทางาพระพุทธศาสนานแต่ในทางพระมีในก็ไม่มีในทางเจตนาเจตนาผมเป็นอย่างนั้นเออเจตนาของเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะมาคัดค้านได้ เว่นไว้แต่ผู้เจโตปริญญาญาณุจักดักใจท่านผู้อื่นผู้เจโตปริญญาาณดักใจของท่านผู้อื่นท่านก็มาให้เอามาตัดสินในทางแต่ให้ตัดสินในทางธรรมะของท่านนั้นได้อยู่ยเพราะดักใจตายใจในพระมีนาไม่ให้มาตัดสิน เช่นพร ะ, พ, ระพัะทักมาิตบุตรถูกฟ้องทำเป็นพระหาแล้วเมตยานางพิกษุณีเมตยานางพิษุนีโกรดพระภิกษุภูมิมันจุกะอโอ้พระทักมาทำบุตร เมื่อท่านแจกอาหารไปวันไหนพอไปถึงพระทัพอมรบุตรก็ถูกแต่เข้าไปเกลียนเข้าไปเกลียนไปเกลียนคือเข้ากล้องใช่ไหมเข้าใจไหมเข้ากล้องรูจักนะเข้าไปเกลียนอะเออเข้าไปเกลียนพอไปถึงท่านก็ถูกแต่เข้าไปเกลียนแจกอาหารไปเพราะธรรมนาแจกอาหารในขั้นพุทธการแจก็แจกแจกหัวหน้าไปพอไปถึงท่านะมันก็เลย ถูกเข้าภายเทีย น, ท, นท่านก็โกรธให้ทัพพมนันระเบิดว่าลําเอียงในแกะอาหารผู้จะแกะอาหารต้องไม่ลําเอียงในคติสีฉันทาคติคตโทสาคติโมหคติลำลำเอียงพักความรักใคร่กันเรียกฉันทาคติลำเอียงพวกวักความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติลำเอียงพักเขาเรีกโมหคติลำเอียงพกัคงพวกความเรียกพยาคติผู้แกะอาหารต้องอยู่ไม่ลําเอียงในคติสังอยู่อย่างนั้นแต่ว่าแก่ตามโรคตามอะไรของท่านมันก็เป็นเรื่องหนึ่งคนนี้มีโรคอันนี้อย่าให้คนนี้มีโรคอันนี้อย่าให้นั่นเป็นเรื่องหนึ่งอีกะ ว่ามันจะแสดงทนี้ก็ทับา ม, ามันระบุแกกไปทีนี้ท่านโกรธใช่โกรธที่ทับพระธรรมามันระุเพราะท่านยังไม่เป็นพระสวสดา์ันเพราะท่านยังไม่เป็นอะไรพระภูมิจักกะแล้วก็ปโจอีกพราะทับธรรมมันระบุดว่าไปทําอันไม่ดีไม่ได้กับนานเมตญาติที่สุนีอยู่ที่ตีนเขาสิจกูดมแต่ท่านเป็นพระราลษฎร์ ทนแล้วท่านก็มาให้การกับสงว่าเวลาไหนข้าพเจ้าไปทำผิดเวลาเช้าโอ้ในเวลาเช้านั้นข้าพเจ้าจะเอาสงเป็นพยานอะไเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้แจกอาหารอยู่ในเวรลวนสวนหม่ไผ่ เราพ็จะเจ้าเนี่ยรู้ดีแล้วทําทไมถึงไม่มาตัดสินก็เพราะจะมอบการตัดสินให้พระภิกษุสงฆ์ก็เมื่อพระ อ, องค์เข้าสู่พระนิพพานแล้วอภิกรอันนี้จะไม่มีใครชาระจะมอบการชาระอภิกรแล้ว ก, กับสงฆ์สงฆ์จะทําถูกหรือไม่เขาบอกพระบ ร, ษษ ร, ร, ษษรามศัสดาคป็นนิ่งฟังหนู ย, ยังไม่พูดทีนี้ท่านก็พูดอวดดีว่า พูไม่แค่พูดอวพดพูดตามที่อีกว่าก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นแหละเมื่ออายุเจ็ดปีข้าพเจ้านอนไปก็แม่ฝันเห็นกรรมมาลมเลยมันเป็นพระหันมาแต่เจ็ดปีพระทัพอรบุตรข้าพเจ้าไม่ได้ฝันไปทางกรรมมาลมเลยเออจริง ล, รรรละพระบรมสารีราชเป็นพยานก็เลยบอก พห้ราคราชิกขาสักนาวเบตยาพิเษณี็ให้ราศิก ข, า เ, า, ก า, า, า, กขาเพราะโกดเรื่องแจกอาหารนี่นี่พระเวไนยจะบอกว่าจำเือเป็นพระรหันเป็นผู้มีสติปัญญูไม่เป็นหน้าที่ของจำเลอที่จะทำการละเมิดกล่าวหาส่วกรรมวาจาจารย์ไว้ให้สติวินยัยแล้วยกฟ้องของโกรธเสีย ก็ห้าสี่สิบห้าตรงกันอยู่ยุติสี่สิบาถูกไหมละ่ะนาฬิกาเถือนนาฬิกาโค้งต้องผูกนาฬิกาฝ่าบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกเราคายคะแนนออกเรื่องการกำา น, นานาฬิกากำนายนใจพออันเดียวกันเพราะใจเป็นผู้ตั้งขึ้น เมมติเวลาถ้านั่นชนเนี่ยกระจายเป็นพูดสมมติเวลาเนะี่ยนาฬิกากับนาฬิกใจก็อเนวกันเพราใจเป็นพูดตั้งขึ้นหลวงปู่มไม่ได้มีนาฬิกาแต่ก่อนไปอยู่ถ้ำไปอยู่หิ้วกม็มันมีนาฬิกาค า, าดเขลเอาเพึ่งมาไม่นาฬิกาสามสี่ปีขนาดแต่ก่อนไม่มีหรอก คุณอรุณีเอา ar, เ uh, มาไว้เนีนกปูเคยอยู่กับนกกับหนูแล้วเขาต้องเอานกล้องก็ก็แก๊กมาให้อันก็ก็แก๊กมาเอามาไว้คุณนนปูนะคุณอรุณีเอามาไว้นี่คุณนมีเอจะเ็กกหารทยอไรนไห ก็คงจะได้ว่าท่านทําบุญไม่ค่อยจะชอบพิธีปีตองถ้าเห็นสมควรให้ขอให้เลยถ้าไม่สมควรให้ขอก็ไม่ให้ท่านไม่ท่านท่านลังเกียบพระขอเนออท่านลังเกลียบพระขอถ้าพระขอมันไม่ใกล้ละถ้าหาอุบายว่าเดี๋ยวจะทำอันนั้นเดี๋ยวจะทําอันนี้อะไรนี่ไม่ให้อ่ะ ที่นี่ท่านไปพูดอยู่ที่คนแก่แต่ว่าลูกปูป่ไม่ได้ยนินหรอกพูดกับคุณหมอแเวลาเอาลูกปูป่ไปลูกปู่นี่ไม่ได้เคยปรียมขออะไรเลยคบกันมา1ิกว่าปีแล้วคุณโยมช่วยอันนั้นอันนี้ไม่มีเลยลูกปู่เงียบเลยถึงประวารนาว่าไอ้สักอย่งไหนก็ไม่พูดลูงปู่ใจนักจริง นิสัยเราก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงนิสัยเอาไม่เป็นเหมือนคนอื่นเนาะคนรวยๆข้าเงินล้านเข้ามาวัดเนี่ยหลวงปู่ตั้งกระทู้อวะไรแล้วเออพภาขีทุกองค์นีเน้เห็นกูไปจะหาอุบายเขา อ, อะไรกูหนอเก่งเขาจะว่าหรือเขาไม่ว่าก็ตามหลวงปู่หลวงปู่ผูกปัญหาขึ้นไถ่ตัวแล้วเนี่ยหลวงปู่เป็นอย่างนั้นนิสัยของหลวงปู่เช่นเขาทําซาลาอยู่อยเนี้ เขาตีตะปูโปงปเป่เปลี่ยนอยู่หลวงปู่็ไม่พูดให้เขาฟังถ้าเขาไม่ทำเขาทำอะไรกันนลวงปู่ก็จึงบอกว่าเขาสราสลาพูดเท่านั้นอันนั้นไม่พอนี่ไม่พอหลวงปู่ก็ไม่เพิ่มประเดีก